จิตใจทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้เขาเป็นทุกข์นะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเลือกไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงคือให้เห็นไจลรลักนั่นเองนั้นเราหัดจเจริญสตินะมารู้กายมารู้ใจก็เพื่อให้เห็นไจรักไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาดีเอาสงบแต่เราปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายของใจให้เห็นความจริงจิตปล่อยวาง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 นี่เราหัดทีแรกก็นานๆานมีสติทีหนึง่งพอหัดไปนานๆ น, นะสติเกิดบ่อยคล้ายๆเราทำมาหากิน่ะทีแรกต้นทุนเราน้อยนะเราหาบเต้าห้วยขายสมมติได้กําไรวันหนึ่งไม่กี่บาทเรามารวยขึ้นมานะหากินง่ายนะนอนอยู่เฉยๆเงินก็ไหลเข้าบ้านละการภาวนาก็เหมือนกันหัดทีแรกนานสติจะเกิดทีนะแต่พอจิตมันจาสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นนะ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 ถ้ารู้ไม่ทันจิตเกิดราคาขึ้นมาก็ติดถ้าให้รู้ทันมันเหมือนแบบแบบสงบแล้วเหมือนไม่ได้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยฟังก็ฟังไปงแต่รู้สึกไปเรื่อยๆนะเหลียวซ้ายแลกวขวากระดุกกระดิกอะรู้สึกอ า, อาร์อาร์ไม่มีอะไรส่งส่งมาให้พึ่งหน่อยมันกระจายกระจายแล้วมันก็เพ่งแล้วมันก็แน่นแล้วมันก็ดีตอบถูกทุกงันเลย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 สัพพุท ธ, ธานุภาเวนาสัพพธ ร, รมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนาสดาสทีพระวันตุเตมีความสุขนะมีความสุขทาดีแล้วมีความสุขเชิญกลับบ้านโยมคนไหนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีเชิญไปรับฟรีข้างหลัง